เเวลารู้จริงๆรู้แวบเดียววงเล็บเปิดห้าพฤศจิกายน2549ันาในวงเล็บสองจุดจุดนาที40วงเล็บปิดเวลารู้ที่ถูกต้องนะช่วขณะแวบเดียวบางเฉียบเลยตรงที่รู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดอันนี้เนี่ยรู้จริงๆแต่ช่วขณะเดียวจิตก็จะเปลี่ยนอารมณ์อีก ช่นไปเกิดการบังคับตัวเองไม่ให้คิดให้มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปบังคับแล้วคอยรู้ตามหลังอย่างนี้เรื่อยๆ